รู้จักการเวลาดังที่กล่าวมานี้ยิ่งจะมองเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นปัจจุบันันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามีอนาคตมาทดแทนมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้วมีอนาคตมาเป็นปัจจุบันแทนจึงไม่สิ้นสุด ยังสืบต่อกันอยู่แต่อันที่จริงนั่นหาใช่วัดเที่ยงคือหยุดอยู่เฉยๆไม่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันก็เป็นอดีตอนาคตก็เข้ามาเป็นปัจจุบันเราเป็นอดีตอนาคตเข้ามา ป, ปัจจุบันเราเป็นอดีต ก็จะนั้นเมื่อรู้จักอดีตอนาคตรู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตดังนี้จึงเป็นการู้จักเปล่เป็นอันมองเห็นอันนิจจตาทุกขต า, าอนันตตามองเห็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกเป็นวิชาขึ้นได้ฉะนั้นเมื่อยังมีเอาวิชาอยู่จึงยังมองไม่เห็น อันนีจะตาทุกขตานัตตายังยึดถือว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขและเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราเป็นของเราเมื่อเป็นดังนี้จึงได้ก่ออาสวะขึ้นดังที่ได้แสดงถึงความเกิดอาสวะอนุสัยมาแล้วเมื่อ เห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูเป็นต้นจึงยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราเกิดยินดียินร้ายเกิดอกุศลบาปทำทั้งหลายไหลเข้ามาดองกิตติสันดานเป็นอาสวัตหรือื่อ ป, ประสบเวทนาทั้งหลายตัวยินดียินร้ายไม่รู้ก็เป็นอนุัยนอนเนื่องอยู่ในจิต ก็เพราะอาวิชาคือไม่รู้ดังนี้เมื่อไม่รู้ดังนี้จึงยึดถือและก่ออาสวะอนุสัยขึ้นในจิตใจเพราะฉะนั้นเอาวิชานี้เองจึงเป็นต้นเหตุสำคัญที่ให้เกิดอาสวะ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 จนถึงในข้อสุดท้ายซึ่งได้แสดงอธิบายข้อว่าเพราะ อวิชชาเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะและท่านก็ได้แสดงเหตุผล ของธรรมะที่เป็นเหตุเกิดสืบเรื่องกันไปเหมือนดังลูกโซ่โดยเฉพาะในข้อสุดท้ายนี้เมื่อแสดงว่า เพราะอาวิชาเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะและเมื่อถึงเหตุปัจจัยที่สืบกันไปเหมือนหนังลูกโซ่ก็สแสดง ต่อไปว่าเพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาก็เป็นอันว่าในหมวดสุดท้ายนี้อันเป็นยอดของ ปฏิจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นจึงต่างเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันอันได้แก่อวิชชาและอาสวะ หรืออาสวะและอวิชชาเมื่อท่านแสดงถึงอวิชชาก็จะต้องมีปัญหาว่าเพราะอะไรเกิดจึงเกิดอวิชชาท่านจึงแสดงว่า เพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาแล้วก็มีปัญหาต่อไปอีกว่าเพราะอะไรเกิดจึงเกิดอาสวะอันจึงแสดงว่าเพราะอาวิชชาเกิดจึงเกิดอาสวะก็เป็นอันว่าอาสวะกับอวิชชานี้ เป็นเหตุปัจจัยของกันเละกันอันนับว่าเป็นเหตุปัจจัยสุดท้ายที่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้จึงไม่มี เหตุปัจจัยที่จะแสดงสืบต่อขึ้นไปอีกและก็ได้แสดงอธิบายแล้วว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเกิดอาสวะหรือเพราะอาวิชชาบังเกิดขึ้นจึงเกิดอาสวะ จึงจักได้แสดงในทางที่กลับกันอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะอาสวะเกิดจึงเกิดอวิชชาหรือเพราะมีอาสวะจึงมีอวิชชาบังเกิดขึ้น ในข้อนี้ก็พึงทำความเข้าใจไว้ก่อนข้อหนึ่งว่าบรรดาเหตุปัจจัยเหล่านี้เหตุปัจจัยที่สุดยอดคืออวิชากับอาสวะหรืออาสวะกับอวิชา และเหตุปัจจัยที่สืบต่อกันไปรวมว่าทั้งหมดย่อมเป็นสิ่งที่เกิดได้เพิ่มเติมได้ และเป็นสิ่งที่ดับได้จิตวิมุตต์หลุดพ้นจากเหตุปัจจัยเหล่านี้ได้ท้งนี้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้ ไม่ใช่ปืนเนื้ อ, อแท้ของจิตเนื้อแท้หรือธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ประพัดสอนคือผุดพองและเป็นถาดรู ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุธาตุรูและจิตนี้ไม่มีสรีระสันฐานเหมือนอย่างกายแต่มีกายนี้เป็นที่อาศัย ดังที่มีพระพุทธภาติตรัสเอาไว้ว่าอสรีรังไม่มีสรีระคือไม่มีร่างกายไม่ใช่วัตถุภุขาสยังมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัย ผู้หาคือถ้านี้พระอาจารย์ได้แสดงอธิบายคลุมคลุมว่ากายคือมีกายนี้เป็นที่อาศัยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีกายและจิตซึ่งอาศัยกันอยู่ กายนั่นเป็นวัตถุประกอบด้วยธาตุที่เป็นวัตถุทั้งหลายที่แสดงไว้ก็คือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมซึ่งหมายถึงว่าส่วนที่แ ข, แข็งในกายนี้ ก็เรียกว่าถัดดินส่วนที่เอบอาบเหลวไหลก็เรียกว่าถัดน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่าถัดไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าถัดลมและในบางพระสูตรยังเติมอีกหนึ่งธาตุคืออากาศสะทัช่องว่าง คือบรรดาช่องว่างทั้งหลายในกายอันนี้ก็เรียกว่าอากาศสถาัดทัดคือช่องว่างเป็นาธาตุธาตแต่โดยมากแสดงไม่เพียงาธาตุสี่เพราะอากาศสถาัคือช่องว่างนั้นไม่ใช่วัตถุ แต่ว่าเติมก้นอีกก็เพราะว่าในกายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปย่อมมีอากาศสัาผคือช่องว่างอยู่เป็นอันมากเช่นช่องตาช่องหูเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปาก และช่องเล็กๆน้อยๆตลอดจนถึง ท, ทุกขุมขนและช่องว่างเหล่านี้เองทำให้แบ่งขอบเขตของอวัยวะร่างกาย เป็นส่วนๆออกไปได้เข็นวันนิ้วทั้งห้าของคนมีช่องว่างอยู่ในระหว่างจึงได้แบ่งออกได้เป็นห้านิ้วถ้าไม่มีช่องว่างอยู่ในระหว่างก็จะต้องรวมกันเป็นพืช แบ่งออกเป็นธานิ้วไม่ได้ร่างกายเช่นแขนทั้งสองขาทั้งสองและทุกส่วนก็ต้องมีช่องว่างอยู่ในระหว่างในระหว่างทั้งนั้นจึงแบ่งออกได้เป็นส่วนๆตลอดจนถึงอวัยวะภายใน เส้นเอ็นสปอร์ตหัวใจเป็นต้นต่างก็มีช่องว่างในระหว่างในระหว่างจึงทำให้แบ่งออกเป็นส่วนๆไปได้และบรรดาช่องว่างในร่างกายอันนี้ มีมากจนถึงมีผู้ศึกษาวิทยาการในปัจจุบันได้แสดงว่าร่างกายอันนี้ทยุบรวมเข้าไม่ให้มีช่องว่างเลยแม้แต่น้อย ร่างกายของทุกคนที่ใหญ่โตอยู่เท่านี้จะเหลือเล็กนิดเดียวอย่างเช่นขนาดปลายไม่ขีดมีท่านหนึ่งแสดงว่าอย่างนี้แต่ว่าที่ใหญ่โตปรากฏเป็น อาการต่างๆสา3สิเสองเป็นต้นก็เพราะมีช่องว่างอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้นในบางพระสูตรจึงได้ยกขึ้นเป็นอีกธาตุอันหนึ่งเรียกว่าอากาศสภาพธาตุคือช่องว่างนี่เป็นส่วนกาย ซึ่งมีสรีระรูปร่างสันฐานสวดทรงแต่ว่าจิตไม่มีสรีระสันฐานเหมือนอย่างกายแต่ว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยที่ท่านอธิบายว่าก็คือมีกายนี้เป็นที่อาศัย ยังมีปัญหาว่าถ้าจิตไม่มีสริระสันฐานมองเห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้ก็รู้ได้อย่างไรว่ามีจิตก็ตอบได้ว่ารู้ได้ที่ความรู้ เพราะจิตนี้เป็นธาตุรู้รู้อะไรอะไรได้หากว่าจะถามว่าจิตอยู่ที่ไหนก็ตอบได้ว่าจิตอยู่ที่ตัวรู้รู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่น และจิตนี้เพราะเป็นธาตุรู้และไม่มีสรีระสัมผัสจังกาหนดได้ที่ตัวรู้หรือที่ความรู้ที่ทุกๆคนมีอยู่ ดังกล่าวและนอกจากนี้ทุกคนก็รู้จิตใจของตัวเองได้และจิตเป็นอย่างไรตั้งตนแต่จิตคิดอะไรดำริอะไรทุกคนก็รู้จิตของตัวเอง และเมื่อจิตคิดอะไรรู้อะไรแล้วจิตชอบอะไรชังอะไรอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรหรือว่ายินดีอะไรยินร้ายอะไรหลงไหลอะไรทุกคนก็รู้ และโดยที่จิตนี้เป็นธาตุรู้ทุกคนจึงเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นไปได้ดังที่ทุกคนเรียนกันอยู่ตั้งต้นแต่ขั้นอนุบาลขั้นปฐมขั้นมัธยมขั้นอุดม ตามหลักสูตรต่างๆแต่ว่าเมื่อเรียนรู้อะไรอะไรสิ่งที่รู้นั้นก็ไม่มีสริระสันฐานเอกเช่นเดียวกันจะบอกว่าความรู้ที่เรียนนั้น กว้างเท่าไรยาวเท่าไรใหญ่เท่าไรเหมือนอย่างวัตถุเป็นวัตตึกรามบ้านช่องใหญ่เล็กหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นกี่ห้องอะไรเป็นต้นจะเอามาแสดงความรู้ที่เรียนหรือที่รู้ ว่ากว้างเท่านั้นยาวเท่านี้ใหญ่เท่านี้หาได้ไหมความรู้ทีทเรียนกันมาก็มีมีสรีระสันทานอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าความรู้ทั้งหมดนี้ก็เก็บอยู่ที่จิตอันนี้และจิตอันนี้ เมื่อปฏิบัติทางสมาธิได้อุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิดังเช่นพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรูส้ทรงได้อัปปนาสมาธิ ก็ทรงได้ยานคือความยังรู้ระลึกชาติได้ระลึกชาติในผลหลังได้ว่าทรงเกิดเป็นอะไรมีชื่อมีนามสกุลหรือโคดอย่างไรมีสุขมีทุกข์อย่างไ ร, ไงไรเป็นต้นเป็นอันมาก มันแสดงว่าจิตนี้เป็นที่เก็บสิ่งที่ประสบพบผ่านไว้ทั้งหมดเก็บอยู่ในจิตที่ขอยยืมคำมาพูดว่าจิตส่วนลึก หรือที่พบกันในบัตรนี้เรียกกันว่าใจสำนึกดุจฉนั้นเมื่อทำสมาธิจนถึงได้อัปปนาสมาธิรู้ถึงจิตใจสำนึกหรือติดจิตส่วนลึกนี้ได้สิ่งที่เก็บไว้ในจิตส่วนลึกก็ปรากฏ เป็นความรู้ขึ้นมาดังความรู้ระลึกชาติใดของพระพุทธเจ้าและจิตนี้เองยังเก็บดีเก็บชั่วไว้อีกด้วย เมื่อทำดีกิริยาที่ทำนั้นทำแล้วก็เสร็จกันไปเป็นคราวๆแต่ว่าความดีที่ทำไปนั้นก็ยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกเรียกว่าบา ร, รมีเก็บดี ความดีที่ทำไว้นั้นไม่หายไปไหนแม้ว่ากิริยาที่ทำเสร็จไปเป็นคราวๆแต่ว่าความดีที่ทำนั้นก็ยังเก็บไว้ในจิตส่วนลึกทำชั่วก็เหมือนกัน เมื่อทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจอะไรไว้ทาไปแล้วความชั่วก็ยังเก็บเอาไว้ในจิตส่วนลึกก็เป็นอาสวะดองจิตตสังดัดเพราะฉะนั้นจิตนี้ยังมีทั้งส่วนดีที่เป็นบารมีทั้งส่วนชั่วที่เรียกว่าอาสวะ นบพระเจ้าเด็ดจัดสรุกลึกเข้าที่จิตของพระองค์เองจนทรงพบอาสวะจึงเด็ดรัดสรุกแล้วก็เด็ดรัดแสดงสั่งสอนเอาไว้เป็นกามาสวะอาสวะคือกรรม อาวาสะวะอาสะวะคือพบอวิชชาสะวะอาสะวะคืออวิชชาก็เอ็นก็เป็นอันว่าในจิตของบุคคลทั่วไปมีกามเก็บอยู่ในจิตส่วนลึก คือความใคร่ความปรารถนาต้องการ